เรื่องการฟื้นฟูศาสนาในประเทศไทยเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประชกานที่สี่นี้ท่านปรารบหลายวาระหลายสถานที่ท่านพระอาจารย์เล่าว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระเจ้าประสเสนที่โกศลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันพระพุทธเจ้าทรงปรารบถึงความชราภาพของพระองค์ทั้งสองว่า ตถาคตและพระองค์ก็ย่างเข้าสู่ไวยชราแล้วไม่ช้าตถาคตก็จะปรินิพานและก็เช่นกันพระองค์ก็จะเสด็จสวรรคตตถาคตไม่กลับมาสู่ภพนี้อีกส่วนพระองค์เป็นหน่อเนื้อพุทธทางกูลและเป็นพระสหายของตถาคตยังต้องกลับมาสร้างบารมีต่อถ้าคราวใดศา ส, สนาของตถาคตเสื่อมลง ขอพระองค์สงกลับมาฟื้นฟูด้วยต่อมาไม่นานพระโอรสวิถุทภพเก่อกระบดขึ้นในแผ่นดินพระเจ้าประเเสนที่โกศลได้เสด็จหนีไปยังแคว้นมคตเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอา ช, ชาศัตรูแต่พระองค์เสด็จไปไม่ทันประตูเมืองถูกปิดลงเสียก่อนด้วยความชราภาพและเหนื่อยอ่อนจากการเดินทาง พระองค์ก็เสด็จสวรรคตอย่างเดียวดายไรา้ญาติขาดมิตรที่ศาลาที่พักคนเดินทางนอกประตูเมืองนี่ละหนอสังสารวัตรมีเบื้องต้นและที่สุดอันใครใก็ตามไปรู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าคงจะทรงเห็นเหตุอันนี้ถึงตัดกับพระเจ้าประเสริฐที่โกสนอย่างนั้นท่านพระอาจารย์เล่าว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือพระเจ้าปเปเสนที่โกศ น, นั่นเองที่มาส่งฟื้นฟูพระพุท ธ, ธศาสนาเมื่อถึงจุดนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นนักเสริมสร้างนักฟื้นฟูนักบุรณะนักปฏิสังขรณ์ส่งทำสิ่งที่ชำรุดให้ดีขึ้นทำสิ่งที่ผิดจากของเดิมให้เข้าสู่ที่เดิมท่าจะเปรียบเทียบ ก็เหมือนการซ่อมบำรุงวัตถุใช้งานที่เสื่อมสภาพให้มีสภาพใช้งานได้เหมือนเดิมผู้เล่าจะไม่กล่าวโครงสร้างฟื้นฟูเพราะประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้มากแล้วจะกล่าวเฉพาะผลงานด้านการศึกษากา ร, ราศาสนาและการปกครองแผ่นดินภาษาอังกฤษก็ตรัสได้เป็นคนแรกของชาวไทยภาษาบาลีก็เป็นพระมหาปริญญ ทรงรจนาพระคาถาและพระปริตต่างๆไว้มากมีอรรถอันลึกซึ้งและทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์ติดอันดับโลกการปรับปรุงเสริมสร้างบุรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านการศึกษาการปกครองการปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันนี้มีสาเหตุและปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะภัยแห่งสงครามเป็นภัยใหญ่ท่านพระอาจารย์เล่าว่าก่อนเราจะเสียกรุงให้แก่พม่าประมาณร้อยปีการรบราฆ่าฟันดูจะรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งเราจะสังเกตได้จากพระพักของพระพุทธรูปมีพระลักษณะเคร่งครึมเข้มแข็งเอียงไปทางดุร้ายซึ่งหมายถึงใจของชาวอายุทยาเตรียมพร้อมรับศึกอยู่ตลอดเวลา หากเกิดมีการรบติดกันเกิดขึ้นชายทุกคนต้องเป็นทหารออกรบหญิงทั้งสาวทั้งแก่ก็ต้องร่วมออกรบทรงสเสบียงไถนาดำนาสารพัดแม้แต่พระสงฆ์ก็คงจะระสามระสายช่วยอยู่ด้านหลังจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาแตกความเป็นผู้แพ้มีแต่ทุกข์กับทุกข์เจ็บป่วยจากการเหน็ดเหนื่อยในสงครามเอ่ย บาดแพลจะคมหอกคมดาบเอ่ยอดอยากเอ่ยซากศพทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงทั้งตายเก่าตายใหม่เรื่องเหล่านี้คือเหตุแห่งความเสื่อมของศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มมาฟื้นฟูทุกท่านยอมรับผลงานของพระองค์ว่าตามความจริงในปัจจุบัน การศึกษาการปกครองการปฏิบัติล้วนเป็นผลงานของพระองค์การศึกษาวิทยาการทางพระพุทธศาสนาก็ดีการปกครองคณะสงฆ์ก็ดีการปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติทรงพระวินัยก็ดีการเจริญสแสวงหาวิเวกเดินรุกขมูลทุดงก็ดีพระองค์ทรงทําเป็นแบบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พอเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้แม้ท่านพระอาจารย์มั่นก็ยอมรับว่าได้แบบอย่างมารองจากครั้งพุท ธ, ธการก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้เป็นแบบฉบับตลอดมาเมื่อครั้งพระองค์เสด็จเจ้าริคทธโดงจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่สุขโขทยัยไปตามฝั่งลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา คำที่ไหนก็ปักหลดพักตามชายทุ่งชายป่าไล่อุปจาระคมเจริญสมณธรรมหากมีชาวบ้านมาฟังธรรมก็แสดงธรรมให้ฟังให้ได้ประโยชน์ทั้งตนผู้อื่นและพระศาสนาไปพร้อมๆกันพอถึงสุขโขทยัยกำลังหาที่พักชาวบ้านก็มากราบถวายพระพรว่ามีดอนแห่งหนึ่งเป็นดอนศักดิ์สิทธ ปกติชาวบ้านไม่ยินยอมให้เข้าไปเพราะเคยมีพระเข้าไปและแสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่อสถานที่นั้นทําให้ชาวบ้านเจ็บป่วยเดือดร้อนแต่พระองค์ทรงรับรองกับชาวบ้านว่านี่คือเจ้าของป่าดอนนั้นหากมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นพระองค์จะตายแทนชาวบ้านก็ยินยอมอาราธนานิมนต์พระองค์ไปพัก เดินจงกรมเจริญสมณธรรมที่นั่นพระองค์ได้ไปพบหลักศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงโดยบังเอิญขากลับทรงนำกลับมาไว้ที่กรุงเทพนี่คือตัวอย่างการออกจาริกทุดงกรรมฐานที่ทรงทำเป็นแบบอย่างมาจนทุกวันนี้ หมายเหตุผู้บันทึกเสียงเกี่ยวกับการฟื้นฟูพระศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยนั้นเขานำบทสรุปเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะธรรมยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางแห่งพระป่าพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนส่งผลดีอย่างมากต่อพระศาสนาในภาพรวมสืบต่อมาจนทุกวันนี้นะครับธรรมยุติกานิายหรือคณะธรรมยุทธ เป็นกณนนาสงที่พระวชิรายานเถระทรงตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูศาสนาพุทธในสยามและแก้ไขวัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินันเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีพนวดอยู่นั้นได้ทรงศึกษาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานทาไม่มีพระวิจารณญาณเกี่ยวกับความเป็นมาของพระพุธทธศาสนาและความประพฤติปฏิบัติ ของพระภิกษุสา ม, มนเณรได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นเหตุให้มีพระราชดำริในอันทิ่จะฟื้นฟูการสั่งสอนพระพุทธศาสนาและการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยตามที่ได้ทรงศึกษาและทรงพิจารณาสอบสวนจนเป็นที่แน่แก่พระราชหฤทัยว่าถูกต้องเป็นจริงอย่างไรแล้วพระองค์ได้ทรงนำประพฤติปฏิบัติขึ้นก่อนหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทรงเริ่มแก้ไขที่พระองค์เองเป็นอันดับแรกต่อมาเมื่อมีบุคคลอื่นเห็นชอบและนิยมตามจึงได้มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างพระองค์ขึ้นและมีจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับจนเกิดเป็นพระสงฆ์หมู่หนึ่งหรือนิกายหนึ่งที่ได้ชื่อในภายหลังว่าธรรมยุติการนิกายหรือที่เรียกสั้นๆว่าธรรมยุตอันมีความหมายว่าผู้ประกอบด้วยธรรมหรือชอบด้วยธรรม หรือยุติตามธรรมทั้งนี้ก็เพราะว่าประสงค์นี้เกิดขึ้นด้วยมุ่งแสวงหาว่าข้อใดเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นสัตตุศาสตร์คือคําสั่งสอนของพระศาสดาแล้วปฏิบัติข้อนั้นเว้นข้อที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยไม่เป็นสัตุศาสตร์แม้จะเป็นอาจินปฏิบัติคือข้อปฏิบัติตามกันมาแต่ผิดพระธรรมวินยัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยธรรมยุติกานิกายตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปและฟื้นฟูด้านวัดปฏิบัติของสงฆ์ให้มีความถูกต้องและเข้มงวดตามพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์มีวัดปฏิบัติที่เคร่งรัดถูกต้องตามพระวินัย ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามศึกษาพระปริยัติธรรมยังเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นการฟื้นฟูพระาศานสานาในส่วนที่บกพร่องของพระสงฆ์ไทยที่มีมาแต่โบราณให้สมบูรณ์ทั้งพระวินัยปิดกและพระสุตตันตปิดกการก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายเป็นสาเหตุทำให้พระสงฆ์เทรวาทอื่นซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่คณะธรรมยุต ได้มีการประชุมและมีมติให้เรียกพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่คณะธรรมยุตว่ามหานิกายซึ่งภาษาชาวบ้านจะเรียกธรรมยุตว่าพระป่าและมหานิกายว่าพระบ้านนะครับ